สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเรื่องคําอุปมาเกี่ยวกับการเสด็จมาตอนที่สี่ครับพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สบห้าข้อที่สิบสี่จนหนึ่งข้อที่สามสิบมัทธิวบทที่ยี่สิบห้าข้อที่สิบสี่จนหนึ่งข้อที่สาสิบถ้าพี่น้องมีพระเจนะของพระเจ้าอยู่บนโต๊ะตอนนี้นะครับขอความกรุณาช่วยเปิด แล้วก็เราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะครับมัทธิวบทที่25ข้อที่14จนถึงข้อที่30ครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าและยังเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไปจึงเรียกพวกทัตของตนมาฝากสมบัติไว้คนหนึ่งท่านให้ห้าตาัางคนหนึ่งสองตารานและอีกคนหนึ่งตารางเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไป คนที่ได้รับห้าตะลันนั้นก็เอาเงินนั้นไปค้าขายทันทีได้กำไรเท่าตัวคนที่รับสองตะลันนั้นก็ได้กำไรเท่าตัวเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตะลั น, นเดียวได้ขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้ท่านอยู่มาช้านานานายจึงมาคิดบัญชีกับทา่าเหล่านั้นคนที่ได้รับห้าตะลันก็เอาเงินกำไรอีกห้าตะลันมาชี้แจงว่านายเจ้าค่ะท่านได้มอบเงินห้าตะลันไว้กับข้าพเจ้าดูเถิด ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกห้าจัันนายยิ่กตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดี <S <s entendeu? และสัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับสองจัลันมาก็ชี้แจงด้วยว่านายเจ้าค่ะท่านได้มอบเงินสองจัันไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกสองจัันนายยิ่งตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตซ์ซื่อ เจ้าสัตว์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดฝ่ายคนที่ได้รับตะลันเดียวมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าค่ะเขาพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็งเกี่ยวผลที่ท่านไม่ได้หวานเก็บสัมสมที่ท่านไม่ได้โปรยเขาพอกเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูเถิดนี่แหละเงินของนายนายจึงตอบว่า เอาค่าชั่วช้าและเกียรติค้านไอ้ค่าชั่วช้าและเกียดติค้านเจ้าก็รู้หรือว่าเราเกี่ยวที่เราไม่ได้หวานเก็บสัมสมที่เราไม่ได้โปรยเพฉะนั้นเจาน้จาควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคารเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ย ด, ด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นไปจากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลันด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้ว จะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจนมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขาไม่อยู่ก็จะต้องเอาไปจากเขาเอาไอ้ข้าชั่วช้าไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฝันหลังจากที่พระเยซูส่งเล่าเรื่องอุปมาเรื่องหญิงพมจารีสิบคนซึ่งเป็นเรื่องของ การบังเกิดใหม่การต้อนรับพระเยซูการจุดตะเกียงการมี spiritual resources นะครับก็คือมีทรัพยากรทางฝ่ายจิตวิญญาณพระเยซูก็เล่าขบุปมาเรื่องเงินตลาลันต่อทันทีเลยครับในบมัทธิวบทที่ยี่สหานี้เป็นหัวข้อเดียวกันก็คือว่าการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคราวนี้พระเยซูทรงเล่าเรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งกาลังจะออกเดินทางไกลเขาก็เรียกญาติของเขามาสามคน คนห น, caramel, น, น so, uh> ึ่งนะครับให้เงินห้าตาันคนหนึ่งได้รับสองตารางคนหนึ่งได้รับหนึ่งตารางสมัยนั้นคําว่าตาราันนั Tamara> ้นเป็นหน่วยวัดค่าของเงินครับเป็นหน่วยวัดค่าของเงินหรือเป็นหน่วยวัดน้ําหนักค่าของเงินนี้นะครับค่าของตารางนี้ขึ้นอยู่กับว่าเอาอะไรมาชั่งเช่นถ้าเอาทองคํามาชั่งก็จะทองคําหนักหนึ่งตาราก็จะมีค่าสูงมากเอาทองแดงมาชั่งเอาเงินมาชั่งนะครับ ก็เราทราบ ก, กันนะครับว่าหนึ่งตะลันนั้นก็หนักประมาณสี่สิบกิโลก ร, รมนะครับให้สังเกตนะครับว่าในข้อที่สิบห้านายของเขามอบจำนวนตะลันให้กับทาส ต, ตามความสามารถครับพี่น้องครับตามความสามารถของเขาเพราะฉะนั้นการแจกจ่ายเงินตะลันนี้ไม่เท่ากันเพราะความสามารถและทักษะของทาสแต่ละคนไม่เท่ากันนายรู้ครับรู้มาก่อนครับว่าทาสแต่ละคนนั้นจะสามารถ ประสบความสําเร็จได้อย่างไรนะครับธาตุคนแรกก็ประสบความสําเร็จครับธาตุคนที่สองก็ประสบกับความสําเร็จก็คือทําได้กาไรสองเท่านะครับของจํานวนที่เขาได้รับแต่ธาตุที่ได้รับหนึ่งตะลันเอาเงินของเขาเอาเงินของนายนั้นไปฝังดินเมื่อถึงวันที่นายมาตรวจบัญชีพวกเขาต้องต้องอธิบายครับต้องยื่นนะครับยื่นบัญชีของเขากับนายของเขา นายก็จะตอบแทนพวกเขาตามความสัตว์ซื่อสองคนแรกครับท้าสองคนแรกนายชมเขาว่าดีแล้วเจ้าเป็นท่าที่ดีและสัต์ซื่อเจ้าสัตว์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดพี่น้องครับตะลันนะครับสิบตะลันกระโทษกับห้าตะลันสองตะลันเป็นจำนวนเงินที่ไม่เล็กน้อยนะครับแต่ในสายตาของนายเนี่ยนะครับนายบอกว่า เจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยแสดงว่าต้องมีสมบัติหรือต้องมีอะไรก็ตามที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเงินตะลันนี่อีกนะครับที่น้องครับและสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือบําเน็จครับในกับอบมาเรื่องเงินตะลันนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบเกี่ยวกับบําเน็จในการที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายงานให้กับเราได้ทำในโลกนี้เมื่อเราทํางานของพระเจ้าสําเร็จพระเจ้าให้เตรียมบําเน็จที่ยิ่งใหญ่กว่า ตะลันทั้งห้าตะลันมากมากมากมากมา ก, มากนพี่น้องครับถ้าคนที่สามไม่มีความฉัดซื่อตรนานของเขาเขาคิดแบบลูกจ้างนะครับว่าเงินของคุณเงินของนายเขาไม่ได้คิดว่าเป็นเงินของคนที่มีพระคุณกับเขานะครับเขาไม่ได้คิดว่าถ้าว่าเป็นเงินของตัวเองเขาจะไปฝังดินหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับ mindset หรือความคิดของทาตคนที่สามถ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับเราจะต้องคิดแบบทาตสองคนแรกก็คือว่านายนั้นเมื่อนายได้มอบความไว้วางใจให้กับเรามอบความรับผิดชอบให้กับเรามอบภารกิจให้กับเราเราจะต้องทําอย่างสัตย์ซื่อจนกระทั่งถึงความสําเร็จฟันงนะครับคําชมของนายก็คือว่าเจ้าเป็นทาตที่ดีและสัตย์ซื่อคำว่าดีนี้มีความหมายนะครับก็คือ เป็นท่าที่จงรักภักดีเป็นท่าที่อยู่ในจริยธรรมอันถูกต้องเป็นท่าที่รู้บุญคุณของนายรู้หน้าที่และสัตย์ซื่อต่อหน้าที่นี้พี่น้องครับนี่เป็นคําอุปมาเกี่ยวข้องกับบําเหน็จนะครับสําหรับการงานที่พระเจ้าได้มอบหมายเมื่อเสร็จสมบูรณ์เราจะได้รับบําเหน็จที่มาจากพระเจ้าในขณะเดียวกันครับเมื่อพระเจ้าได้มอบหมายทักษะและความสามารถที่แน่นอนให้กับเรา นะครับซึ่งเป็นผู้เชื่อแต่ละคนพระองค์ทรงให้โอกาสที่จะพัฒนาและใช้สิ่งที่เป็นของพระทานที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นแต่เราทุกทุกคนครับจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้รับพระเจ้าได้มอบของพระทานให้ไม่เหมือนกันครับพรเพื่อว่าผู้เชื่อจะได้ไม่สามารถเปรียบเทียบตัวเขากับคนอื่นนะครับเราจะต้องไม่เปรียบเทียบของพระทานนะครับของเรากับคนอื่นเพราะว่าพระเจ้าให้กับเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน นะครับแต่มีวันหนึ่งครับพระเยซูจะให้เรารายงานสิ่งที่เป็นของประทานแล้ว <c oughs> <c oughs> เราได้ทำให้ดีที่สุดหรื อ, อยังเราได้ทวีคูณของประทานที่เรามีอยู่ด้วยการรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเพื่อที่เราจะได้บดําเังก์ที่น้องครับมีวันหนึ่งพระเยซูจะให้เรารายงานสิ่งที่พระองค์ได้ประทานกับเรา <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นความมั่งมีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นทักษะความสามารถพิเศษ รหรือแม้กระทั่งโอกาสวาระาต่างๆครับที่พระเจ้าให้กับเราเราได้ฉวยโอกาสเราได้ใช้วาระต่างๆนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าหรือเปล่าเมื่อเรารายงานนะครับว่าเราได้ทําเราได้รับผิดชอบเต็มความสามารถนะครับพระองค์จะตรัสกับเราว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีและศักดิ์สิทธิ์น้องครับสิ่งที่น่าสง ส, ง ส, ง ส, งสารน่าเสียดายเสียใจก็คือ การไม่ได้พัฒนาสิ่งที่เป็นของประธานการที่ไม่ได้พัฒนาสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับเรานะครับเราไม่ยอมใช้ความสามารถพิเศษของเราความสามารถเหล่านี้ก็จะหายไปครับเมื่อเราละทิ้งโอกาสที่จะเป็นพยานและรับใช้พระเจ้าเราก็จะสูญเสียความชื่นชมยินดีของเราคําอธิษฐานของเราก็ไม่ได้รับคาตอบเราก็หมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีกาลังในการทำตามน้ำมไถยของพระเจ้า ความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้านั้นก็จะถูกกระทบกระเทือนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้กระทบกระเทือนจนถึงระดับที่ไม่สามารถจะคงความสัมพันธ์อยู่ได้นะครับสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นก็จะล่มสลายครับชีวิตของเราก็จะขาดพละพรมากมายแต่ในทางกลับกันครับแม้ว่าความรอดจะไม่สูญหายนะครับพระสัญญาในพมพีและความชื่นชมดีจะเป็นของเราครับ ถ้าเราไม่ทําตามความชื่นชมดีก็จะหายไปจากคริสเตียนที่ไม่ศักดิ์สิทธ์และไม่เชื่อฟังนะครับอยากจะให้พระวจะนะของพระเจ้านี่เช้าวันนี้กระตุ้นเตือนเรานะครับให้เราเป็นทาสที่ได้รับทาตาลันและสองตาลันเป็นทาสที่ดีและศักดสิทธิ์เพื่อที่เราจะได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้าบําเหน็จที่ยิ่งใหญ่นะครับบําเหน็จที่ยิ่งใหญ่มากมายกว่านี้มากมากมากมากนะักกำลังรอเราอยู่บนสวรรค์เราจะครอบครองและเราจะได้รับ สิ่งที่พระเจ้าเตรียไว้ให้กับเราอย่างแน่นอนอาเมน